อาจากที่ไหนกันมาจากคณะแพทยตีบคีที่บังเกนบงเขเองครั บ, <ม>บ ข, ของกเกษตรศาสตร์นะครับครับอาอตัวแพทย์มากันเยอะไหมเกือบ20คนครับมาสองคณะเป็นคณาจารย์ครับเป็นคณาจารย์ดับบุคลากรครับทั้งคณะ ใครเป็นคนพามาผมเองอ<ม>เป็นอาจารย์อยู่ที่ั่นเนครัอคือ<ม>ผมช่วยนักลุธเย็บไ้วัตป่าก็มาที่หลายครั้งจำหน้าได้แต่ <ผม S 1> จะไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ที่ไห น, นยังไงติดตามเรื่องของธรรมะอยู่กัน าคาว่าคําว่าสัตวแพทย์นี้คาจริงมันมีความหมาย2องอย่างนะสัตว์ที่เราว่านี่หมายถึงสัตว์เดราา้ยาฉนใช่ไหมแต่สัตว์คําหมายของพระนี่ถ้าเป็นคากลางๆหมายถึงสัตว์โลกสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดมีตั้งแต่พรมเทวดามนุษย์ เดรัชานเป็สัตว์นรกนี่เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นคือดวงจิตดวงใจแต่ละดวงเนี่ยที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นพรมก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเทพก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคำว่าสัตว์นี้เป็นเป็นหมายถึงสิ่งที่มีดวงวิญญาณที่อยู่ในไตพบ อยู่ในวัฏฏะสังสงสารนี่เรียกว่าสัตว์หมดสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดแต่เราใช้สัตว์หมายถึงสัตว์เลี้ยลฉนที่ทางโลกเราใช้กันเวลาเราพูดถึงสัตว์นี่เราหมายถึงสัตว์สี่เท้าพวกนกพวกกาพวกแมวพวกสุนัขพวกวัวพวกควายแต่ความหมายของทางศาสนานี่หมายถึง สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดที่เราสวดกันสัพเพสัตตาช่วยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คำว่าสัตว์นี่หมายถึงสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใตจภพตั้งแต่พรหมโลกลงมาพรหมโลกก็เรียกว่ารูปภพกับอรูปภพกามภพก็ตั้งแต่สวรรค์เทพชั้นเทพลงมาจนถึงนรกนี่เป็นสัตว์ที่ยังเสกกรมอยู่ สัตว์ที่ยังติดอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดในการมาพบการมาพบก็มีส่วนที่ละเอียดและส่วนที่หยาบส่วนที่ละเอียดก็พวกเทวดาทั้งหลายส่วนที่หยาบก็พวกเดรชาญพวกเวรกรดเป็นต้นส่วนที่เป็นกลางไม่หยาบไม่ละเอียดก็พวกมนุษย์นี่เรียกว่าพวกนี้ยังเป็นสัตว์ที่ยังต้องเสกกรมอยู่ ยังหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่จึงทำให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรามาเกิดนี้เพราะเรายังมีความอยากที่จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปเที่ยวกันนี่ก็เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นรส ชนิดต่างๆไปดูด้วยตาของเราดูสถานที่ต่างๆแล้วก็ฟังด้วยเสียงแล้วก็รับประทานอาหารรับประทานขนมนมนยดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี่เป็นการเสรรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราจะหงุดหงิดนำคาญใจเหงาเศร้าส้อยว้าเวเพราะ เกิดจากความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสจึงทำให้เราอยู่บ้านกันไม่ติดต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้ดูได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันอันนี้ความอยากอันนี้แหละที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันในการมพาพบเช่นถ้าเราตายไปแล้วถ้าเราได้ทาบุญไว้บุญก็จะพาให้เราไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรส ที่เป็นรูปทิปเสียงทิฟคือไม่ต้องใช้ร่างกายรูปทิปเสียงทิปนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรูปทิฟรูปรูปเสียงกลิ่นรที่เราเสพตอนที่เรานอนหลับเวลาอนอนหลับเราฝันรึเปล่าฝันแล้วเราไปไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปรับประทานอาหาร ท, นานที่นั่นที่นี่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่หไหมนั่นหละเราใช้ เราใช้ร่างทิพย์กายทิพย์ของเราคือใจของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเรายังมีร่างทิพย์กายทิพย์อยู่ร่างกายทิพย์ร่างทิพย์นี่จะเป็นผู้ที่เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ต่อไปด้วยการทําบุญบุญนี้จะทําให้เราผลิตรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่ที่โอชะที่น่าดูน่าชม ถ้าทำบาปเราก็จะได้รูปทิพย์เสียงทิพย์ที่ไม่โอชะเป็นรูปเสียงรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่น่ากลัวน่าเกลียดเช่นเวลาที่เรานอนหลับล้วฝันร้ายเยเวลาเราฝันร้ายนี่เรากําลังเสด ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์ที่ไม่โอชะไม่น่ารับประทานน่าเกลียดน่ากลัวเช่นฝันว่าถูกเขาตามล่าตามตามล่างตามผานถูกเขากันก่นแก้งหรือ ฝันว่าไปตกอับไปเป็นยาจบไปเป็นขอทานไปติดคุกติดตารางอันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของบาป ท, ที่เราทํากันพอเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายเวลาที่ร่างกะเราไม่มีร่างกายเราก็จะฝันร้ายฝันร้ายเหล่านี้เราเรียกว่าอบายถ้าฝันร้ายด้วยทําเวลาฝันแล้วทําทให้รู้สึกหิวโหยนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเปรด เวลาฝันแล้วทำให้เกิดความกลัวเรียกว่าอสุรกายเวลาฝันแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเรียกว่านารกหรือถ้าไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก็ไปฝันอยู่แบบแบบปลาเล็กกินเ ป, ปลาใหญ่สัตว์เล็กกินสัตว์สัตว์สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็อยู่ด้วยความ ต้องทุกอย่างลาบากหากินแล้วก็ต้องมีภัยรอบด้านอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมลจะทําให้เราสะสมอความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีที่จะออกมาตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราฝันหรือตอนที่เราไม่มีร่างกาย ตอนที่เรามีร่างกายเราก็ไปสวรรค์ไปอบายชั่วคราวชั่วขณะที่นอนหลับพอตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็มาหาความสุขแบบมนุษย์ไปก่อนจนกว่าร่างกายของมนุษย์นี้ตายไปแล้วเราต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารอเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่เราจะไป ไปฝันร้ายหรือฝันดีถ้าเราทำบุญไว้บุญก็จะส่งให้เราไปฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอาหารอันโอชะได้ไปพบกับคนที่เรารักที่เราชอบมีความสุขอันนี้เป็นเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทวดาเทพก็เสดแบบนี้เขาเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันดีแต่ฝันยาวหน่อย ไม่ใช่ฝันแค่ห้าหกชั่วโมงเจ็ดปดชั่วโมงเหมือนที่เราฝันกันในแต่ละวันเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็ต้องกลับเข้ามาสู่โลกของมนุษย์อย่าช่วงที่เรานอนหลับถ้าเราฝันดีเราก็กําลังอยู่ในโลกของเทวดาแล้วถ้าเราอยู่ถ้าเราฝันร้ายเราก็อยู่ในโลกของอบายฝันว่าเป็นเปรตบ้างถ้ามีความหิวโหยถ้าถ้ามีความหวาดกลัว ก็เป็นอสุลกายถ้ามีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็นเป็นนรกถ้าได้ร่างกายเดรัจฉานก็จะเป็นเดรัจฉานไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพกสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสส่วนพวกที่สามารถตัดหรื้อ หยุดความอยากในรูปเสียงกลินก่นรสได้ชั่วคราวเช่นพวกที่ไปฝึกนั่งสมาธิพวกที่ไปถือศีลแปดเนี่ยพอเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็ได้ความสงบเป็นความสุขก็ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลินก่นรสเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี่ดีกว่ารสชาติมีความเด็ดกว่าอร่อยกว่า คนที่เขานั่งสมาธิได้เขาจึงไม่ต้องออกไปเที่ยวเหมือนคนที่ยังนั่งสมาธิกันไม่ได้พวกพระสงฆ์องค์เจ้าพวกสามเณรชีพวกนี้เขาจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิจากการทำใจให้สงบใจสงบก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นพรหมก็มีอยู่สองระดับเรียกวารู ป, ประพรหมกับอรูปะพรหม รูปภพก็คือพวกที่ได้รูปฌานสมาธิขั้นรูปฌานมีอยู่สี่รูปฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อรูปฌานก็มีอีกสี่อันนั้นก็เป็นอรูปภพเป็นภพที่ละเอียดภพที่มีความสุขที่ละเอียดกว่าภพของอสามภพมาจากที่ไหนกันนะ <Okay. S 1> เป็นคณะไหน <Okay. S 1> เป็น มาฟังยูทูปพระอาจารย์นะครับานะ u ู u b e เลยคณะย t ทู e ครับก็อยากมาชมชมบารมีพระอาจารย์ในตานังๆ้นะครับก็ทำงานร่วมกันด้วยว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันครับอ๋อได้ได้เจอเพิ่งเริ่มหัดภาวนาครับได้ก็เชิญก็นั่งตามสบายนั่งไม่ต้อง ไม่ต้องคุกข่าวก็ได้นั่งนั่งพักเพียรพอดีมี้พอดีมีข้าหน้าสัตวแพทย์จากจากมหาลัยเกษตรบางเขนมาเลยคุยเรื่องสัตว์กันแต่สัตว์ไม่ใช่สัตว์เลี้ยช้างที่พูดนี้สัตว์ที่เราสวดสับเพสสับตาอันหนั่นสัต์โลกสัตว์โลกก็คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในตไตพบ พวกเทวดาพวกพรหมพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกสัตว์ในโลกนี่เรียกว่าสัตว์โลก<ม>พวกเราก็เป็นสัตว์โลกเราตอนนี้มาเป็นสัตว์โลกในข้าบในในฐานะภาคของมนุษย์แต่หลังจากที่เราตายไปนี้เราก็จะเปลี่ยนสัญชาติจากมนุษย์ถ้าได้ทําบุญไว้ก็ได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าฝึกนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบ ก็จะไปเป็นพรมชั้นต่างๆถ้าทําบาปเราก็จะไปอบายชั้นต่างๆไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกแล้วพอเราใช้บุญใช้บุก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทําบุญทําบาปกันใหม่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เรามาเกิดถ้าเรามาเกิด ในครอบครัวที่ทําบุญเขาก็จะสอนให้เราทําบุญไม่ให้ทําบาปถ้าเราเกิดในครอบครัวที่ไม่ทําบุญครอบครัวที่ทําบาปเขาก็จะพาเราทําบาปแต่ถ้าเราได้เคยทําบุญมาจนติดเป็นนิสยัยถึงแม้จะเกิดในครอบครัวข อ, ของที่เขาทําบาปเราก็จะไม่ทําก็ได้เพราะเราจะไม่ชอบหรือถ้าเราชอบทําบาปจนติดเป็นนิสยัย ถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่เขาทำบุญเราก็จะไม่ชอบทำอันนี้อยู่ที่ว่าในแต่ละภพแต่ละชาติเราส ะ, สะสมบุญสะสมบาปมามากน้อยเพียงไร <c oughs> เป็นนิสัยหรือเป็นสันดานถ้าเป็นสันดานก็ถือว่าฝังลึกถ้านิสัยก็ยังไม่ลึกแก้นิสัยง่ายกว่าแก้สันดานแต่แก้ได้นิสัยดี นิสัยไม่ดีนิสัยชอบทำบาสนิสัยชอบทำบุญนี่เปลี่ยนได้คือ <Yeah. S 1> บางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมเรา ช, ชาติก่อนเคยทำบุญแต่พอชาตินี้มาเกิดอยู่กับพวกครอบครัวเพื่อนฝูงที่ชอบทำบาปไปอยู่เกิดในประเทศที่เขาไม่มีศาสนา <Yeah. S 1> เขาทำบาปกันเช่นประเทศที่จเจริญทางด้านวัตถุนี้เขาจะไม่ค่อยมีวัดมีศาสนา เขาก็จะไปเสพอบายอย่างมุกกันไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปหาแล้วก็ไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆลักทรัพย์ บ, บ้างช่อโกงบ้างโกหกหลอกดวงบ้างประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็จะทำให้เราเวลาตายไปเราก็ต้องไปเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งในอบาย ีชนิดคือเดรนชานเปรตอาศุกายหรือสัตว์นรกแต่ถ้าเราได้อยู่กับครอบครัวที่ทำบุญไม่ทำบาปแล้วเราทำไปจนถึงวันที่เราตายเวลาตายไปเราก็จะมีบุญเป็นผู้ส่งให้เราไปได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้าเราได้ฝึกนั่งสมาธิกัน ทำใจให้สงบหาความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไปเกิดบงสวรรค์ชั้นผมที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าสวรรค์ชั้นเทพความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลินน่นรสนี่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เป็นเหมือนคนร ะ, ะดับกันถ้าลงแรมก็คนระดาวกันนี่คือเรื่องของสัตว์โลกที่พวกเรา เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกที่เราสวด ส, สัตยัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อให้เรามีความเมตตาต่อกันอยู่ร่วมกันอยา่าเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันดูแลกันไปอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเมตตาก็คือการทำความทาบุญนี่ที่เรามาทําบุญนี้ก็เป็นการแผ่เมตตา เราอาข้าวของสิ่งของเงินทองของใช้ที่จำเป็นมาแบ่งให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านไม่มีอาชีพที่จะหาสิ่งของเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้านี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องใช้เวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถ้าเอาเวลาไปทรมาหากินหาข้าวหาของจะไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้หลุดพ้นได้ก็เลยอาศัยเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนเป็นเหตุให้ศรัทธาญาิโญที่มีกำลังที่จะสนับสนุนได้มีโอกาสทำบุญญาิโญก็ได้บุญพระก็ได้ข้าวของไป แล้วก็จะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิไปวิปัสสนาไปทำทำให้มีดวงตาเห็นธรรมทาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วหลุดพ้นแล้วก็เอาวิธีหลุดพ้นนี้มาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่หลุดพ้นกันพวกเราวันใดวันหนึ่งอาจจะเบื่อกับการอยู่แบบที่อยู่กันเพราะ จะเห็นทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้จะไม่ค่อยเห็นความทุกข์กันเพราะว่าเรามีแต่เจริญกันอยู่ในช่วงของความเจริญเพื่อนฝูงเราก็เจริญกันเงินทองก็ได้มากขึ้นไปตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้มากขึ้นไปตอนนั้นก็เลยไม่เห็นทุกข์กันแต่พอมาถึงวัยกลางคนเนิ่ง มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เริ่มมีการสูญเสียคนที่เรารู้จักเช่นบิดามารดาปุย่าตายายคนที่เขามีอายุมากกว่าเราหรือเพื่อนฝูงเราเริ่มตายไปที่ละคนสองคนมันก็จะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราเราจะทำยังไงดีเราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ต้องเจอกันทุกคน มันก็ะไรจะทำให้เราสนใจเข้าหาศาสนาว่าไอศาสนาเขาสอนอะไรกันแล้วพอได้เข้าหาศาสนาก็จะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เราเป็นอะไรแล้วเราทุกข์เราไม่สบายใจกันนี่เกิดจากอะไรกันพรามีพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ทรงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความทุกข์ของพวกเรา ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าพวกเราไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเราก็จะหลงผิดเราจะไปหลงคิดว่าเราทุกข์เพราะว่าคนนั้นตายคนนี้ตายเราเสียสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้ไปหรือเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะคิดว่านี่เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่เป็นเหตุให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเราเราอยากจะอยู่นานๆอยากจะไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดจากสิ่งที่เรารักกันแต่ในโลกนี้เป็นโลกของการพัดพลาดจากกันเป็นโลกของความแก่ความเจ็บที่ทุกขกกัน พอเราได้ยินได้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการพัดพาจากกันจากความแก่ความเจ็บความตายนี้เราสามารถทำได้วิธีทำก็คือเราต้องมาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากกันแล้ ว, วิธีที่จะหยุดความอยากก็คือวิด้วยการนั่งสมาธิ เวลาเนั่งสมาธินี่เราจะมาหยุดความคิดหยุดความอยากความอยากนี้เกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดความอยากมันเกิดไม่ได้แต่พอเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะอยากได้ขึ้นมาคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็อยากจะเจอเขาอยากจะหาเขาคิดแต่ถ้าเราหยุดคิดปั๊บความอยากมันก็ทํางานไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้พวกเรามามาหัดหยุดคิดกัน ด้ยการใช้สติสติก็คือการให้ใจเราจดจ่ออยู่กับความคิดเดียวคิดอยู่กับเรื่องเดียวคิดที่คิดกับเรื่องที่ไม่ทําให้เกิดความอยากเช่นไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึง เรื่องราต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆได้พอเราไม่ได้คิดความความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราทำให้หยุดคิดได้อย่างเต็มที่ใจเราจะนิ่งจะสงบแล้วจะมีความสุขมากแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ ถ้าเราทำใจให้สงบเช่นถ้าเวลาเราไม่สบายนีเราก็ทำใจให้สงบนั่งสมาธิไปความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะแยกออกจากใจเราไปใจเราจะไม่ดึงเอาเข้ามาคิดเอามาวิตกกังวลเวลาใจสงบนี้ใจจะไม่รับรู้เรื่องของทางร่างกายเลยเหมือนกับว่าหยุดการติดต่อชั่วคราวใจกับร่างกายนี้เป็นสอง คนร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ใช้ความคิดนี้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ร่างกายคือตาหูจมูกดิ้นกายของร่างกายนี้รับข้อมูลต่างๆเข้ามาเสพใช้ตาไว้ดูรูปใช้หูไว้ฟังเสียงเราเวลาได้ดูรูปที่เราชอบเราก็เกิดความสุขขึ้นมา ได้ยินเสียงที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่แน่นอนบางทีก็ไปเจอรูปที่ไม่ชอบไปได้ยินเสียงที่ไม่ชอบความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาแทนที่ <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะต้องพบกับความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็อย่าไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเรามานั่งสมาธิมาเสบความสุขความสงบกันแทน พวกที่ก็นั่งสมาธิเขาจึงจะปีกวิเวกันไปอยู่ห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มีทั้งดีแลวไม่ดีสลับกันไปปนกันมาแต่ถ้ามาอยู่ในที่ในป่าในเขานี้มันจะมีรูปเสียงกลิ่นรสแบบกลางๆไม่ไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เวลาเข้าไปในสมาธิก็จะได้ความสุขโนย่อที่ไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสก ถ้าเราสามารถเสพความสุขอยากความสงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสพความสุขทางตาหทางรูปเสียงกลื่นรถเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราไม่ต้องพึ่งมันแล้วที่เรายังอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายอยู่ใช่ไหมยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไป มีความสุขกับแฟนอยากจะไปอยู่ใกล้คนนั้นอยากอยู่ใกล้นคนนี้ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่พอร่างกายแกรหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเราก็ไม่สามารถทำตามความอยากได้แต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็หยุดความอยากไม่แกอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ เวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเราพัดภาคจากบุคคลที่เรารักเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเมื่อก่อนเราพึ่งคนที่เรารักเพราะว่าเวลาอยู่ใกล้เขาแล้วเหมือนกับเราได้ความสุขจากเขาเราก็เลยไม่อยากจะจากเขาไม่อยากให้เขาจากเราแต่พอเรามีความสุขในใจที่ดีกว่าเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาเขาจากเราไปหรือเราจากเขาไปเราก็ยังมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกข์กับการพัากจากกันแต่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้สงบให้ได้ให้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกาย ให้ความอยากที่จะใช้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราทําใจให้สงบมีความสุขแล้วเราก็สามารถเลิกใช้คนต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้พอเราสูญเสียเขาไปเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนี่แหละที่สอนให้นั่งสมาธิกันก็เพื่อให้เรา มีความสุขรูปแบบใหม่ความสุขที่จะมาแทนแฟนสามีแทนภรรยาแทนเพื่อนแทนสถานที่ท่องเที่ยวแทนแหล่งบันเทิงต่างๆแทนความสุขทางตาหูจมูกิ่งกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันทุกคนมีสิทธิที่จะทาใจให้สงบได้เพียงแต่ว่าต้องรู้จักวิธี แล้วก็ต้องทำถ้าทำแล้วไม่นานมันก็ได้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการเรียนรู้อะไรต่างๆที่เราเรียนรู้กันอยู่เช่นเมื่อก่อนเราก็ขับรถไม่เป็นกันไม่ใช่นะแต่พอให้เราเห็นคนหื่นเขาขับรถเราก็อยากจะขับเราก็ไปเรียนไปถามเขาว่าขับยังไงดูเขาขับยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปหัดขับดูสักพักเดี๋ยวเราก็ขับได้การนั่งสมาธิก็เหมือนกันเหมือนขับรถใจเราก็เป็นเหมือนรถ ใจเราตอนนี้มันรู้จักวิ่งแต่ไม่ไม่รู้จักหยุดเ็าง น, นเราหาเบรกไม่เจอเรารู้แต่คันเร่งชอบเหยียบอย่างเดียวความอยากนี่ก็คือคันเร่งเวลาอยากนี่ใจร้อนนะต้องไปเร็วๆขับรถนี้ต้องเหยียบมันสุดๆเวลาอยากจะไปไหนต้องไปให้ได้เร็วๆไม่มีเบรกพอไปไปเจออะไรเข้าก็หยุดไม่ได้ก็ชนกันเวลาอยากจะได้อะไร เดี๋ยวอีกคนเงขาก็อยากเราก็อยากเดี๋ยวก็ไปชนกันเดี๋ยวก็ไปตีกันไปทะเลาะกันไปแย่งของอันเดียวกันไปแย่งตำแหน่ ง, ơi, งเอ่ยไปแย่งคนเอยชอบคนเดียวกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตีกันเพราะไม่มีเบรกถ้ามีเบรกเอาถ้าเขาจะเอาเราก็เบรกแล้วเราก็ไปหาคนอื่นก็ได้หาอะไรอย่างอื่นก็ได้ดีกว่ามาทะเลาะกันมาตีกัน แทนที่จะมีความสุขกลับมามีความทุกข์กันทำไมในเมื่อเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเราก็ไปหาหม่ก็ได้เนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ให้เขาไปใครอยากจะได้แฟนก็ให้เขาไปเรามีสิ่งที่ดีกว่าความสง บ, บนี้มันดีกว่าทุกอย่างในโลกนี้ <c oughs> ถ้าเรามีความสง บ, บแล้วเราทิ้งทุกอย่างในโลกนี้ได้นคนที่เข้าไปบวชกันนี้ ที่บวชจริงๆนี่เขาได้ความสงบกันเขาได้ความสุขจากความสงบกันแล้วเป็นความสงบความสุขที่ไม่เสื่อมด้วยความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันเสื่อมได้แฟนเดี๋ยวแฟนจากเราไปก็ได้ได้ตำแหน่งเดี๋ยวก็ถูกโยกย้ายได้หรือถึงเวลาอายุห0สิบเขาก็ปลดกเกษียณเราเราก็จะศูนย์ไปเวลากเกษียณจึงมีแต่ความเศร้าหมองกัน เพราะต้องสูญเสียตาแหน่งไปแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาพอเรารู้จักวิธีหยุดความคิดได้ทำใจให้สงบได้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาและถ้าชานาญนี้ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งหลับตาเพียงแต่หยุดความอยากแค่นั้นเองเพอหยุดความอยากฟาาใจก็เบาใจก็สบาย อยากไปเที่ยวก็หยุดมันอยากจะดื่มอะไรก็หยุดมันถ้าไม่จำเป็นจะต้องดื่มอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังมันพอหยุดปับ๊บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขที่เกิดจากความไม่มีความอยากก็ปรากฏขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเราจะทาให ช่วงครึ่งหลังของชีวิตเหล่านี้จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้าเรามีศาสนาถ้าเราปฏิบัติตามศาสนาได้ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ทําใจให้ไม่อยากได้เวลาที่เราสูญเสียอะไรเราก็ทําใจเฉยๆยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียทุกอย่างเป็นอย่างนี้ แม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นของที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไปแต่ถ้าเราทําใจได้ทําใจให้สงบได้หยุดความอยากได้เวลาเราเสียร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับนี่เราใช้ร่างกายหรือเปล่า แต่เรายังไปเที่ยวได้ใช่ั้ยเราฝันดีก็ไปเราไปเที่ยวแล้วนั่นแหละคือใจใจที่ไม่ได้ใช้ร่างกายก็จะใจก็จะสามารถผลิตรูปเสียงกลิ่นรสภายในตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปดูไปไปฟังรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาใช้ร่างกาย เราก็จะเสดความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะสงบไปตลอดอย่างใจของพระพุทธเจ้ากับตอนนี้ท่านเสดความสงบมา 2,500 กว่าปีแล้วท่านไม่ได้หายไปไหนใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราต่างกันตรงที่ใจของท่านอยู่ด้วยความสงบใจของพวกเราอยู่ด้วยความอยากด้วยความวุ่นวายด้วยความทุกข์ เวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็ทุกเวลาอยากจะได้เราก็ทุกข์ันแต่ใจของพระเจ้านี้สงบตลอดเวลาสุขตลอดเวลาท่านถึงเรียกว่าบาลมสุขบรลมังสุขขังนิพานนิบานังบรลมังสุขขังนิพานก็คือใจที่สงบใจที่ปราศจากความโลภโกรธหลงใจที่ปราศจากความอยากต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆนี่จะเป็นใจของพวกเราต่อไปถ้าใจเราถึงจุดนั้นแล้วเราก็สบายมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องมีเงินทองเป็นเครื่องมือไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกพบทุกชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะพบกับพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านได้พยากรณ์ไม่ว่าจะอยู่ได้ประมาณ5 0 0 0ปีนี่ก็มาครึ่งหนึ่งละ2500้ 2, กว่า แล้วต่อไปก็จะสูญหายไปเคยจะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติไม่มีใครบรรลุไม่มีใครที่จะเอามาบอกมาเล่ากันได้ตอนนั้นก็จะทุกข์กันเพราะจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะทุกข์กับความพัดภาคจากกันจะทุกข์กับความที่ต้องอยู่ตามลําพังเศร้าสร้อยงอยเหงา ว, ว้าเวเพราะอยากแต่ พออยากแล้วไม่ได้ไปทําตามความอยากก็เศร้าซ้อยอย่างเหงาเงาแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็บอกอยู่คนเดียว่ดีจะได้มีเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบแล้วจะไม่เหงาจะไม่ว้าเว่แล้วจะไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีแฟนมีเพื่อนมีแฟนมันก็ดีมันก็เป็นดาบสองคมเวลาชอบกันก็ดีกันพอเวลาโกรธกันก็ไม่ดีละ เดี๋ยวเวลาทะเลาะ ก, กันก็เบื่อขี้หน้านะไม่อยากจะมองหน้ากันอยู่ด้วยกันแทนที่จะสุขก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปอีกแต่ถ้าอยู่กับความสงบนี่จะสุขตลอดเวลาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงยันขอให้พวกเรามาฝึกนั่งสมาธิกันมาฝึกสติกันคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดกันตอนนี้เราไม่รู้จักเบรคความคิดกันเรารู้จักแต่ใช้ความคิด ใช้จกนกระทั่งฟุ้งซ่านบางทีนอนไม่หลับบางทีเนี่ยบางทีคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้นอนไม่หลับเพราะเราไม่มีสติไม่มีเบรกที่จะมาหยุดความคิดกันถ้าเรามีสตินี่พอจะเวลานอนนี่พอพุโทโธไม่กี่คำก็หลับแล้วนะย า, ายานถอยมาฝึกสติกัน เพื่อจะได้หยุดความคิดต่างๆถ้าเราคิดอยู่แต่คําว่าพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ลองทําดูก่อนจะนั่งสมาธิได้นี้ต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะคิดไปเรื่อยนั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่สงบแต่ถ้าเราหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งได้พอเรานั่งพุโทโธพอ nang ปั๊บพุโทโธไม่กี่คําก็นิ่งละสงบละ การฝึกสตินี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำทำสมาธิถ้านั่งเฉยๆไม่มีสติควบคุมใจอย่าไปนั่งอันตรายเพราะบางทีนั่งแล้วใจผลิตสิ่งแปลกๆมาให้เราดูมาให้เราเห็นแล้วถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะหลงคิดว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ได้ที่เขาเรียกว่านั่งแล้วเป็นบ้ากันนั่งเพราะว่าไม่ได้รู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องนั่งโดยที่ไม่มีอะไรมาควบคุมใจ ปล่อยให้ใจผลิตอะไรต่างๆออกมาหลอกเราหลอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสิ่งที่คอยกำกับใจควบคุมใจคือพุทโธนี้จิตจะไม่ผลิตอะไรมาหลอกเราจิตจะสงบเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะสร้างความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียวการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรเราต้องการให้จิตนิ่งสงบให้จิตสบายมีความสุขเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่เราจะเห็นก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเพราะเราจะเห็นตัวเราตอนนี้เราไม่เห็นตัวเราเพราะว่าเราถูกความคิดของเรากบเอาไว้ตัวเราคือตัวรู้แต่เราถูกเอาตัวความคิดมาหลอกเราหลอกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มีชื่อนั่นชื่อนี่ควอมจริงนี้ป็นเป็นเพียงความคิดเราเกิดมา เรามีร่างกายแล้วเราก็ไปคิดว่าเราชื่อนั่นชื่อนี่เป็นลูกของคนนั่นลูกของคนนี้เป็นมีฐานะอย่างนั้นเป็นฐานะอย่างนี้อแต่นี่เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นพอเวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วความคิดหายไปความที่ว่าเป็นชื่อนั่นชื่อนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรหายไปหมดเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวนั่นแหละคือตัวเราอยู่ตรงนั้น แล้วถ้าเราสามารถอยู่กับตัวรู้ได้เราจะไม่ทุกข์กับอะไรที่เราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะว่าเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นตัวรู้เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกันเรารู้ว่าคนอื่นไม่ได้เป็นตัวเราใช่ไหม คนหนึ่งเขาแก่เจ็บตายเราเดือดรนะ้อนไหมเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นตัวรู้เรารู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันไปถ้าเราเข้าถึงจุดนั้นแล้วเราปล่อยร่างกายได้เราจะเฉยๆได้งั้นลองทับดูลองนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไป อ, อมันรวมเข้าสู่ความสงบแล้ว ร่างกายจะหายไปเราจะเหลือแต่ตัวรู้ความตัวคิดก็หายไปนี่เราก็จะรู้แล้วว่าตัวคิดมันหลอกเราหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยไปยึดไปติดเพราะว่าพอเรามีอะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่ตัวรู้นี่แหละจะเป็นเป็นของเราแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไป แต่เราไม่เจอตัวมันเราเลยไม่ไม่ได้อยู่กับมันเราชอบไปอยู่กับตัวคิดตัวคิดมันก็เลยหลอกให้เราว่าคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นนั่นเป็นนี่พอได้ตําแหน่งมาก็ตั้งมาให้เป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าเป็นนุกน้องก็เป็นลูกน้องก็เป็นไปตามที่คิดกันเท่านั้นเองแต่ความจริงพวกเรานี้เป็นตัวรู้เท่านั้นเอง ทุกคนเหมือนกันหมดเป็นตัวรู้แต่มาหลงติดอยู่กับตัวคิดคิดไปตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไปเชื่อกับความคิดนั้นถ้าเกิดมาในครอบครัวที่มีมียศถาบรรดาศัก์<ม>ก็คิดว่าเราก็มีเป็นยศถาบรรดาศัก์ไปเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เขามีอะไรก็คิดว่าเป็นไปตามที่เขาคิดกัน เพราะไม่เคยเห็นตัวจริงของตัวเองแล้วพอไปไปติดอยู่กับสิ่งที่เราคิดเดี๋ยวเวลาท่องสูญเสียสิ่งที่เราคิดไปก็เสียอกเสียใจกันเพราะของทุกอย่างที่เราได้มาที่เรามาคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่สักวันหนึ่งมันก็จะหายไปมันจะหมดไปมันจะเสื่อมไปแต่ตัวรู้นี่ไม่มีวันเสื่อมถ้าเราเข้าถึงตัวรู้แล้วเราเกาะติดอยู่กับตัวรู้เราจะไม่มีวันเสียใจไม่มีวันทุกข์ใจ เพราะตัวรู้นี้จะไม่มีวันจากเราไปและการอยู่กับตัวรู้นี้จะทําให้เรามีแต่ความสงบมีแต่ความสบายไม่วุ่นวายไปกับตัวคิดคิดแล้วก็ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดนั่นแหละพอหยุดคิดภาความทุกข์ก็หายไปฉนั้นพยายามหัดสร้างเบรคขึ้นมาเวลาคิดไม่ดีจะได้หยุดมันได้เวลาไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธไปห้านาทีเดียวก็หายแล้ะ ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเที่ยวใช้พุทโธเบรคความไม่สบายใจไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลาลองทำดูสิถ้าเรามีพุทโธเราเบรคความคิดได้เนี่ยเวลามันคิดอะไรไม่ดีเนี่ยเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วความไม่สบายใจที่เกิดจากความคิดก็หายไป ใจก็จะเย็นจะสบายนี่คือสิ่งที่เรามาศึกษาจากพระพุทธศาสนาแล้วเราถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากทิ้งที่เร า, า, เราศึกษาเราต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะการได้ยินได้ฟังนี้เป็นเพียงเหมือนการดูแผนที่แต่เรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่ถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ทางไป ยังตอนต้นเราต้องมาหาแผนที่ก่อนว่าเราต้องการไปจุดนี้ไปอย่างไรเราต้องการไปจุดที่ไม่มีความทุกข์ไปอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปด้วยพุโทโธไปด้วยเบรกหยุดความคิดเพราะใจเรามันจะคิดไปสู่ความทุกข์กันพอเราหยุดความความคิดได้ความทุกข์ก็จะหายไปงั้นขั้นต่อไปก็คือเราต้องออกเดินทางเราต้องพุโทโธกันเริ่มตั้งแต่ วันนี้เลยเหี๋ออกจากที่นี่ไปก็อยากคุยกันต่างคนต่างพุดโทรกันถ้าทำได้แล้วต่อไปเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีได้ความคิด ท, ที่ดีเราก็ปล่อยมันคิดได้ความคิดที่ทำให้เรามีความสุขเช่นคิดช่วยเหลือกันคิดดูแลกันคิดอะไรที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อกันละกันแล้วทำให้เกิดความสุขต่อกันละกันเราก็คิดไปทำไป แต่ความคิดที่จะไปทําร้ายกันไปทําให้เกิดความทุกข์ต่อกันและกันเราก็หยุดคิดเสียแล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขก็เอา่ะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับช่วงแรกนี้จะอนุโมทนาให้พรเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีช่วงที่สองต่อคือจะสนทนาถามถามตอบปัญหากันถ้าใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ ถ้าใครมีเท่า ต, ต้องไปก็ไปได้ตอนนี้รับพรกันยะทาวาเรวาหาปุราปริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุปก ป, กปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปะนะราโสยะทามิจโจติราโสยะทัสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาจนะสีลิสานิจจังวุทฒาปจายิโน จตาโรโธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาภาัุใครอยากจะได้หนังสือซีดีก็หยิบไปได้น ะ, ะ, ะจกะหยิบไปข้อแม้อยู่ว่าเอาไปแล้วต้องไปอ่านไปฟังนะไ <c oughs> ม่เาไปบูชานะ ตอนนี้ก็มีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube กับ Facebook ทุกวันสามารถที่จะเปิดชมได้ลองเปิดดูก็ได้แต่ปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวเสียงมันจะมาชนกั น, น, นกต่อไปในหน้านนผ้าจาย์สุชาติเพจเ c e b o o k และ YouTube <c oughs> ก็ได <c oughs> ้ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดอยู่มีทั่วโลกเลยมาจากคนที่อยู่ต่างประเทศก็ดูกัน ทางยุโรปนี้เขากำลังตื่นพอดีเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้มาได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมเพียงแต่แ mm hmm. จ้งให้ทราบเท่นั้นเอง mm hmm. เผื่อเวลาที่ไม่ได้มาที่นี่อยากจะติดตามก็สามารถติดตามได้ทุกวันบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงโดยประมาณ mm hmm. แล้วเดี๋ยวมีทางบ้านเขาก็จะส่งข้อความเข้ามาถามปัญหากัน ก็จะตอบไ ป, ปมาด้วยกันเลยทั้งหมดเจเจค น, นดูไ้ไมกับสามสิบนะรู้จักผ่านทาง y o u ู u b e หรื อ, รอว่าทำงานร่วมกันหรือว่าี๋ยวส่งลายให้กันนี่เหละ ทำกันทุกเดือนนะครับอ่าไปตามสถานวัดต่างๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปวัดเขาตังบนนะครับวัดเขาตังบนหลวงปู่สาะครับหลวงปู่สายที่ไหนที่ลบุรอ่าลบุรีไปก็ไปทาบุญแล้วก็กลับกันก็ไปสนนาธรรมด้วยครับแล้วเดือนที่แล้วไปที่ไหนมาเดือนที่แล้วไปเขาใหญ่เขาใหญ่วันต่างๆ เทลาร์สีไ ป, ไปทุกเดือนเลยเหละเราเริ่มทาทุกเดือนครับเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีค่ะอ๋อต้งปีเลยตั้งแต่มกราเลยแต่วันเดือนธนวัฒนจะไปอินเดียครับอาจารย์อ๋อท่านท่านมาที่จะถึงนี่แหละธนวัฒจ ะ, ะไปอินเดียไปไปทั้งสี่สถานเลยเลยใช่ค่ะไปไปพุทธกยากไปรุมพินีพระรามสี เรายังไม่เคยไปเลยมีคนชวนไปเราก็ไม่อยากไปเพราะเราไปถึงแล้วไปไปถึงในดโดยที่ไม่ต้องไปไปด้วยด้วยการเห็นธรรมพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพระฉนั้นถ้าคนได้เห็นธรรมแล้วไม่ต้องไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นไปก็ไปเจอซากประหล่ำหักพังไปไปดูสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ แต่องค์ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ที่พระธรรมอยู่พระธรรมาาแต่สําหรับคนที่ยังไม่เห็นธรรมก็ไปก็ดีเห็นสถานที่ก็จะทำให้ปลุกศรัทธาเกิดขึ้นมานะนะแล้วจะทำให้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาแล้วฝ่ายปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นพระพุทธเจ้าองค์แท้อยู่ในใจเรา คือใจของพุตะเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็จะเป็นเหมือนของเราถ้าเราทําใจให้เราสะอาดบริสุทธิ์ใจเหมือนกันใจเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าของพุตะเจ้ากับของเราต่างกันตรงที่ของท่านได้ซักเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วแต่เสื้อผ้าของเรายังสโปรกอยู่โสโปรกด้วยค่าของความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชานี้เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดไม่ผ่องใสพอเราได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติสิสมาธิปัญญาใจก็จะสะอาดบยสุดเราก็จะรู้ว่าอ๋อใจของพระเ จ, าจา้ากับใจของเรานี้เป็นอันเดียวกันเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยไม่ต้องไปเพราะรู้ว่าไปที่นั่นก็ไม่เจออยู่ดี เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปก็ได้ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูได้เนี่ยมีคนไปถ่ายรูปให้ดูเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเงินสบายจะตายไปอยากจะไปรุมพินีก็กดเข้าไปเจออะไรอยาสนทนาทมต่อไม่รู้จะกลับกันอยากสนทนาทาต่ อ, กกอาถามเลยมีใครอยากจะถามอะไรไก็ถามได้ อ, อยากถามเรื่องสมาธิเขาถามมาสิ เราเมื่อกี้ก็บอกไปทีแล้วไงจะมาจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนอิน <cop room. S 1> รีห้า <ideally 5 S 1> ต้องต้องสติของสมาธิใช่ไหมครับจึงจะเข้าใจปกติสมาธิก่อนสติไม่สติเป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิสมาธิคือความนิ่งความสงบของใจใจไม่นิ่งเพราะว่าใจไม่มีเบรกหยุดความคิดเราเลยต้องใช้สติหยุด พเราพุโทโธพุโทโธนี่สแสดงว่าเรากําลังจเจริญสติล้พอเราพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเวลานั่งเฉยๆใจก็จะสงบแต่ถ้าเรานั่งแล้วคิดอยู่เรื่อยๆนั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่สงบ<ม>จะนั่งใจให้จะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่ต้องนั่งถ้าเดินจงกร ม, มนี่มันยังไม่สงบเต็มที่มันสงบครึ่งหนึ่งื่อนไหวมือก็อไม่ได้ทุกอย่างต้องนิ่งหมด กายนี้ต้องนิ่งนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอมันตกหลุมสูสม่ความสงบปับทุกอย่างก็หยุดหมดพุดโทโธนี่เหมือนเป็นเหมือนตัวที่คอยต้อนให้ใจนี้เข้าไปในหลุมเหมือนเวลาเราตีกอ ล, ล์ฟเนยฮะเราตีมันเพื่อจะให้มันเข้าไปในหลุมเนี่ยใจเรามันเหมือนเหมือนกันเป็เหมือนลูกกอล์ฟมันชอบกิ้งไปกิ้งมาเราก็ต้องใช้สตินี้ต้อนมันเข้าไปให้มันลงหลุม พอมันเข้าไปในหลุมปั๊บมันก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นคณิกะเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาคณิกะก็สงบชั่วคราวเข้าไปพวกแล้วเดี๋ยวก็เด้งออกมาเพราะว่ากําลังของสติยังมีไม่มากพ อ, อกิเลสมันยังดันออกมากิเลสมันจะดึงให้ใจเราออกมาทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเวลาเรานั่งสมาธิด้วยพุทโธพุทโธจะดึงใจให้ออกจากตาหูจมู ก, กลิ้นกาย ถ้ากําลังมีมากมันก็สามารถดึงให้เข้าไปในหลุมของสมาธิได้ถ้ามีกําลังมากมันก็จะอยู่ได้นานถ้ามีกําลังน้อยก็อาจจะเข้าไปปุ๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วออกมาก็เรียกว่าคันิกะสมาธิถ้าเข้าไปแล้วนิ่งแช่อยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติขั้นที่สองก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาครับ หลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องใช้สมาธินี้มาสนับสนุนปัญญาแล้วเป้าหมายของการมีปัญญาเพื่ออะไรเพื่อทำลายความหลงความหลงที่หลอกให้เราไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจักเป็นดอกบัวเหมือนกับสมัยก่อนคนที่ไม่มีการศึกษาเขาจะคิดว่าโลกนี้แบนใช่ไหมแต่พอเขาไปได้ศึกษามาเขาจะรู้ว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้โกง จันได้ตอนนี้เราก็ไปคิดว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขกันรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญเราจะไปเห็นว่ามันเป็นความสุขจึงอยากได้กันอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็มีเสือ่อม เวลาเสื่อมรู้สึกไงเวลาเงินหมดนีเออ่เวลาแฟนจากเราไปนี่ทิ้งเรานี่นี่เออร Rag ียกว่าเป็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันพอสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราพอเสื่อมจากเราไปความสุขนั้นก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราเลยต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่เป็นเป็นความสุขปลอมนะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าอนายอนาคต เขาจะต้องมีการพัดพากจากกันไปพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปหยากได้อะไรเราก็จะหยุดความอยากได้ความอยากนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องดิ้นนนกันเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะวาความอยากนี้พอเราใช้ปัญญามาแก้ความหลงที่ไปคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรเสริญนี่เป็นความสุข มาแก้หมอเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็ไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นลดไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขได้อยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิดีกว่าแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดม า, มามีร่างกายใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือปัญญาขั้นที่สองขั้นแรกต้องฝึกทําสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อเราชํานาญแล้วเราค่อยเราค่อยไปทางปัญญา ตอนต้อนอย่าอย่าไปทางปัญญาถ้าเรายัางไม่ชํานาญเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสมาธิไม่ได้เพราะเวลาใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดเนี่ยพอระยะหลังเรียนธรรมปิฎก อ, อ, อแล้วใช้ความคิดค่อนข้าง เ, ออเอยอะใช่พอไปนั่สมาธิก็ไม่สงบ แ, แต่เมื่อก่อนเข้าสมาธิได้เร็วใช่ระยะหลังเรียนพวกปริเชตพวจิตจสิทธิ์รูปพิพาน อ, อก็ค่อนข้างที่จะเข้าสมาธิยากดังนั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องสติต้องมีกําลังกล้าก่อน ใช่ส า, สามารถต้อใช่สามารถหยุดความคิดได้เวลาที่เราต้องการเราะบางทีเราใช้ปัญญาไปแล้วมันจะฟุ้งได้ครับ<ช>ฟุ้งแล้วเวลาจะให้มันสงบมันจะสงบไม่ได้<ฮ>แต่ถ้าเรามีสติเราชํานาญทางเข้าสมาธิ <assumption. S 2> เราต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่เราก็เข้าได้อย่างนี้พอเราเห็นว่าจิตเราเริ่มฟุง้งนะเราก็หยุดมันเข้าสมาธิไปได้เห็นเบือ้องต้นต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อน ปัญญายังไม่ต้องกังวลเหมือนหัดขับรถตอนต้นหัดขับรถเราหัดขับรถอยู่แถวบ้านก่อนใช่ไมแถวที่ไม่มีรถวิ่งกันใช่ไหมให้เราชำนาญก่อนขับตามถนนที่ไม่มีรถวิ่งกันแล้วพอเราชำนาญเรามั่นใจแล้วที้เราค่อยไปออกถนนใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันตอนต้นเราต้องรู้จักทำใจให้สงบสามารถหยุดใจได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเรา หยุดได้ตามที่เราต้องการและเวลาเราออกไปแล้วเราไปเจอเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้เราหยุดเช่นไปทุกขกับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เราอย่างน้อยก็ยังหยุดเป็นไว้ก่อนได้ถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญามาสอนให้เราปล่อยวางสิ่งที่เราทุกข์อยู่พอเรายังหลงคิดว่ามันเป็นสุขอยู่บางทีทุกข์กับคนนั้นแต่ก็ยังไปคิดว่าเขาเป็นคนให้ความสุขกับเรารก็เลยปล่อยเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ได้ ยังต้องทนทุกข์อยู่กับเขาต่อไปแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าเนี่ยเราไปทุกข์กับเขาเพราะเราไปหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเ้วสุขที่ไหนตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะเขาเนี่ยแล้วยังจะไปหลงอีกเหรอถ้มีปัญญามันก็จะบอกตัดไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่ามาอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบดีกว่ามีขั้นต่อไปถ้าถึงขั้นปัญญาแล้วเราจะตัดความทุกข์ได้อย่างถาวร ตัดความอยากได้อย่างถาวรแต่ถ้าั้นสมาธินี้จะจะหยุดได้ชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ต่อแต่ถ้ามีปัญญามันก็จะตัดการผูกพันความหลงกับสิ่งต่างๆเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนี่สองขั้นการผมเคยนั่งสมาธิหรือการ พอนัโกโกนะครับแต่รู้สึว่าหลังนั้นมันจะมเรื่องนู้นเรื่องนี้ลอยเข้ามาแท้แล้วก็จะง่วงหลับจะเปลี่ยนวิธีเป็นการนับเลขนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามไม่ได้ติดใจจดจ่ออยู่กับตัวเลขอจะจะใช้ได้ไหมครับก็ลองดูผลเสีว่าได้หรือไม่ได้ก็ได้มันก็เป็นวิธีหนึ่งครับธี่ดแบาเดิมครับหรือถ้ารู้สึก หลุดเมื่อไหร่จะนับเลขไม่ไม่ต่อได้ ไ, ได้ได้หรือว่าง่วงก็จะนับเลขไม่ได้บางนคนก็ใช้ทั้งเลขทั้งพุทธโธคู่กันพุทธโธหนึ่งพุทธโธสองไปก็ได้อครับแล้วก็อาจจะนับไปเรื่อยๆแล้วพอเผลอเมื่อไหร่ก็รู้ว่าออกเผลอแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ออก็ได้บางทีถ้ามันใช้คําเดียวบางทีมันชินชาแล้วมันมันไม่ค่อยอไม่ไม่ตื่นตัวออไรคับ แต่แต่ต้องคอยนะมันต้องมันต้องคอยรู้อยู่เรื่อว่าตอนนี้เรานับถึงเลขที่เท่าไหร่นะก็ได้ใช้ได้ล้วพุทธโ t ค่ะเราต้องพุทธด้วยลมอ่ำพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วโทลมหายใจออก d รือเปล่าคะแล้วแต่ยาพุทธโทอย่างเดียวก็ได้จะใช้กำกับรวมกับลมก็ได้แล้วแต่ถนัดถนัดแต่ลมนะถ้าถนัดแต่ลมก็ดูแต่ลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโทถ้าดูลมก็ให้รู้ว่าเข้าหรือออก ดูแถวตามปลายจมูก อ, อ, อยู่จุดเดียวจุดที่ลมสัมผัสหรือที่กลางหน้าอกก็ได้บางทีคนจะรู้สึกว่าเวลาหายใจเข้าแล้วมันจะพองขึ้นมาก็าเรียกว่าพองหนอยุบหนอแต่ไม่ต้องพูดพองหนอยบยุบหนอก็ได้เพียงแต่ให้รู้ว่าว่าลมเข้าแล้วลมออกแล้วคือนั้นเราต้องการให้มีอะไรให้ใ ห, ให้จิตทํางานมีงานให้จิตทําจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แต่เราบางคนก็ชอบสองอย่างก็ได้บางคนชอบพูดเข้าโทรออกก็ได้เราสมมติว่าอ่าระลึกภาพพระเป็นพุทธานุสติแล้วก็เป็นพุทโธกับภาพพระโดยที่ไม่ได้สนใจลมหายใจได้ไหมคะได้ได้เอาถ้าเอาภาพอย่างเดียวได้ยิ่งดีอย่าอย่าอย่าให้มันสองอย่างมันจะได้เป็นหนึ่งนึกถึงภาพแล้วก็เพ่งดูภาพไปแทนนึกถึงพระพุทธรูปหรือภาพพระอะไรทั้งอย่าง แล้วเราก็นั่งหลับตาแล้วพยายามให้ภาพนั้นปรากฏอยู่ในในใจเราใจเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะจะต้องคอยมามามารักษาภาพนี้แล้วถ้าเราทำได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวมันก็สงบได้อันนี้ก็ได้บางคนไม่ไม่ชอบรูปพระชอบรูปโคงกระดูกบางทีก็ใช่โคกดูคโ ค, รโครกระดูกก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคนถ้าศรัทธาเจริตก็ชอบพระ ถ้าพุธทธิจริญก็ชอบกระดูงคงกระดูงชอบคนตายชอบอบสุภะเนี่ยพอดูแล้วจิตมันนิ่งมันสงบง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ยเห็นแล้วกลัวนี่ก็ใช้ไม่ได้อต้องดูว่าจริญของเราเราชอบกับธรรมะแบบไหนบางคนชอบพุโทโธก็พุโทโธไปบางคนชอบดูลมก็ดูลมไปมีหลายวิธีด้วยกันแต่เป้าหมายก็อันเดียวกันคือให้ใจสงบให้ใจไม่คิดปรุงแต่ง แล้วเวลากิตสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอย่าไปพิจารณาอย่าออกอย่าไปทางปัญญาตอนสงบนี่ต้องการให้มันสงบนานๆเพราะเป็นเหมือนกับการแช่น้าในตู้เย็นให้มันเย็นนานๆใจเรามันร้อนเวลาออกมาจากสมาธิมันร้อนก็ให้มันแช่นานๆเวลาออกมาจากสมาธิมันจะได้เย็นนานๆแต่เวลาแช่นานๆนนมันชอบ กลางหน้าผ่ามันชอบเห็นเป็นรูปกลมๆเป็นสีครับอาจารย์อยา่าไปสนใจ <c oughs> ก็เลยทิ้งมันเวลาทิ้งมันเสร็จก็กลับกลายเป็นว่าหายเสร็จแล้วก็กับเราดูตัวเองดูตัวเองดูแบบเรานั่งหายใจอยู่เหมัอนจิตมันดูว่ามันรู้ว่าเรากําลังหายใจอยู่อรู้ว่าอะไรนะครับก็ยังไม่สงบเต็มที่ครับก็ให้ดูลมหายใจต่อไป ถ้ายังดูลมหายใจได้ก็ดูต่อไปดูต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าลมหายใจหายไปร่างกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตอนนั้นอตอนนั้นมันจะสงบเต็มที่แล้วถ้ามันอยู่ตรงนั้นให้มันรู้ไปอย่างนั้นนานๆสถานที่มีเกี่ยวมีผลไหมครับอาจารย์มีเพราะว่าที่ที่สงบมันก็จะสงบง่ายผมได้ผมเคยได้ตอนอบทเป็นพร ะ, ะ, ะถ้าไปอยู่ที่วุ่นวายมันก็สงบยาก อยู่ที่บ้านคนนั้นทํานู่นทนํานี่เรามานั่งสมาธิเดี๋ยวกินอาหารโชยเข้ามา <c oughs> เสียงนู้นเข้ามาก็จะเสียสมาธิง่ายแต่ถ้าไปอยู่วัดนี่มันจะสงบเงียบกว่ามันก็จะไม่มีอะไรมารบ ก, กวนใจมันก็จะตัดอุปสรรคที่คอยขวางกัน้นความสงบให้น้อยลงไปให้เหลือน้อยลงไปแล้วก็จะทำให้สงบได้แต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือสติอยู่ดีนะ่ะ ถ้าไปอยู่ที่สงบแล้วแต่ยังไม่มีสติมันก็ไม่มีวันที่จะสง บ, บได้ถ้ายังคิดอยู่ยังหยุดความคิดไม่ได้มันก็ยังจะทำทาให้ใจสงบไม่ได้งั้นมันสถานที่ก็มีส่วนสติก็สาคัญต้องมีทั้งสองส่วนเราเจ้าถึงสอนพวกคนที่อยากจะภาวนา <Okay. S 1> ต้องไปปีกวิเวก <Okay. S 1> ไปสำรวจสารวบอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ไปอยู่ตามเรือนร้างไปอยู่ตามโคนไม้แต่ป่าช้ายังไม่ยังไม่แข็งพอครับอาจารย์ก็ฝึกไปก่อนมีสัมนักเทีือกสระบุรีเมื่อก่อนนี้เพราะว่าไปเทือสละบุรีตอนตีสามที่วัดประทุมครับใจยังไม่กล้าพอครับอมีสัมนักหนึ่งเขาให้ไปนั่งต่อหน้าศพเลยสองต่อสองเลยเที่สระบุรีใช่ไหมสละบุรีครับก็แต่ตีสามครับอาจารย์ก็มีก็มีเป็นก็มีเป็นตารางมีเป็นเวลา ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสามเราจะจัดคิวกันไปเราสองต่อสองเหมือนกับไปสอบสัมภาษณ์กันนี ไ, ไปนั่งดูแล้วก็ทําใจอันนี้ต้องใจต้องกล้าต้องแข็งสติต้องดีพระอจาครับมีคําถามหนึง่งคือผมชอบเป็นเวลาที่จิตมันตกภวังแล้วก็เห็นนะครับชอบเป็นตอนขับรถหรือตอนอาบน้ําอยู่แล้วเห็นว่าตัวเองไม่มันไม่ใช่เรา แล้วก็เสียดายตัวเองร้องไห้เงี้ยจะแก้ไงไงมาเสียดายตัวเองมาตัวเองจริงๆตัวเองไม่มีตกใจก็ให้รู้ว่ามันใจเรายังยึดติดกับมันอยู่ใช่ใจยึดติดกับล้วต้องมันพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆให้เห็นว่าพอร่างกายในที่สุดนั้นก็จะร่างกายเป็นศพกายเป็นอขี้เท่าไปถ้าเราคิดบ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะรับความจริงได้ให้คิดบ่อยๆพิจารณา ไม่จะเป็นต้องไปดูศพใช่ไหมครัไม่ต้องไปก็ได้เพียงแต่ให้คิดว่าเนี่ยร่างกายของเราร่างกายของเราทุกคนตายแล้วเขาก็ต้องเอาไปเผากันครั บ, รบเผาแล้วก็เหลือกายเป็นเศษกันดูกับขี้เถ้านี่คือร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราคริดอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่เสียดายเสียใจเพราะเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือนี่คือความจริงของร่างกายของเรารเหมือนกับเราไปยืมของใครเข้ามาแล้วเรา ลืมไปว่าไปคิดว่าเป็นของเราพอเจ้าของก็มาทวงเราก็ไม่ยอมคืนเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าให้นี่ของยืมเข้ามานะต้องคอยเตือนใจอต้องต้องเตือนอยู่แล้วนี่เป็นไม่ใช่ของเรานะเรายืมเข้ามานะเราก็ต้องคิดถึงร่างกายว่าเราไปยืมเข้ามานะทํามาจากขี้เท่านะเดี๋ยวก็ต้องมาไปคืนขี้เท่านะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆไม่ลืมพอถึงเวลาจะต้องคืนเงเอาไปเลยค มันก็จะไม่ทุกข์ไม่ไม่ร้องไห้ไม่เสียดายเราลืมกันชอบลืมกันพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไม่ได้เราชอบลืมกันเงี้ยเราลืมปพราะเรคิดว่าร่างกายนี้เป็นท้องเราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด ไม่จะไม่เคยคิดว่ามันจะต้องแก่ต้องเทวด์ต้องตายอย่อันนี้คือต้องเจริญอยู่ได้เรียกว่าปัญญาท่านเลยบอกท่านอนว่าท่านเจริญมนาสติทุกขณะจิตอ่าใช่อานนท์บอกพิจารณาวันลสี่ห้าครั้งที่เจ้าบอกไม่พอยังปองอะเอรก็ยังลืมได้พอไม่พิจารณาปั๊บลืมเลยแล้วพอคิดว่าร่างกายนี้จะต้องเสียไปนี่ก็ตกใจตัวกันใชใจหล่นตุ๊บเลยอสามครั้งแล้วไม่เป็นอย่างนี้ เราคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่หลงต่อไปมันจะเฉยได้ไ ม, ม่เกิดเพราะอะไรครับพระอาจารย์ครับพี่เกิดสภาว่าแบบนี้ <c oughs> ก็เพราะว่ามันยังมีความยึดผูกพันอยู่ไงความผูกพันพอรู้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรใจก็จะตกใจใจะกลัวขึ้นมาอแต่ถ้ารู้อยู่เรื่อยๆว่าจะต้องเสียมันก็จะไม่ตกใจครัแมันก็ทําใจเฉยๆ ใ, ใจไม่ได้เสียไปกับร่างกายแต่ใจไปหลงที่ว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยตกใจกลัวขึ้นมานี่ หลังพอรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายต้องจากเราไปแล้วเราพร้อมที่จะให้ก็จากไปแล้วก็จะทําใจเฉยๆได้เนี่ยถึงเรามาฝึกสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วเราจะรู้จักวิธีทําใจให้เฉยถ้าไม่มีสมาธิมันไม่ยอมเฉยมันจะเสียใจมันอยากจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาฝึกหยุดความอยากเหล่า น, นี้ด้วยการฝึกทําสมาธิก่อนอแล้วค่อยเอาปัญญามาสอนใจว่าเนี่ยของทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เราต้องคืนเข้าไปหมดแล้วเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจให้สงบเฉยๆแล้วเราไม่ทุกข์เพราะความสงบนี้มันเป็นความสุขอยู่ในตัวของมันนะถึงต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จ ะ, ะกลายเป็นวิปัสนปปสนาไปเห็นแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไปแทนที่จะเป็นสุขใช่ถ้าอาจา พอเวลาบางครั้งที่สวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าตอนทําบุญนะคะจะเกิดติติคือน้ําตาไหลเราควรปล่อยไปเลยหรือเราควรที่จะหยุดมันยังไงทํายังไงะคะถ้าเราสวด ม, มนต์อยู่ก็สวดมนต์ต่อไปอย่าไปสนใจพอเวลาสวดมนต์ไปแล้วจิตสงบมันก็จะเกิดปรตเปิดสุขขึ้นมาก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจมัน บางทีมันเกิดขึ้นตอนแบบเราไปวัดเราทําบุญเราถวายสังฆาแล้วก็ร้องไห้แล้วแบบใจก็คิดคนอื่นจะหาว่าเราแปลกไหมแบบก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะหยุดมันก็หยุดได้ถ้าไม่หยุดก็หยุดได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความทุกข์มันเป็นความสุขอย่างเดีว่าคนเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะคนเขาจะคิดว่าคนเราเวลาร้องไห้นี้แสดงว่าทุกข์กันเพราะความน้ําตาหลายนี่หลายด้วยมีเหตุหลายอย่าง ควันเข้าตาก็ไหลได้อปิติก็ไหลได้อ่ปาปลมปิติมากๆก็น้ำตาไหลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราต้องการควบคุมเราก็ควบคุมมันไปถ้าเราอยู่คนเดียวส่วนมันไปมันจะจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปปอยไอ่าถ้าเรามีความสู่กับการร้องไปกูดเกิจะไปเสียดายมันทำไมใช่ไหมอ่าอทักเดียวอ่า สติ Al iti, เราไม่ต่อเ น, น, น, uh, นื่องพอเพลิสติไปมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนสับสงไป่ว่าคับที่ยมมีอาการยมจับะอาการได้แล้วก็จะตวเองกลับมาแต่นี้ยมอยากจะรู้ว่าสาตาีนยมสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นเดิมเพราะว่าไก็คือจะติดเลเวลาสมาธิที่ก็จะติดอก็ต้อง ต้องมันฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งพยยางพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติมากขึ้นแล้วมันจะควบคุมอาการเหล่านี้ได้นหรืออีกส่วนหนึ่งถ้ามันเป็นการสรบรงบกก็ต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงอย่ารับประทานมากเกินไปใช่กินมากแล้วเป็นมันสบงบได้อหรือถ้าไม่ฉะนั้นก็ไปนั่งในป่าช้าจะรจะรู้ตัวตลอดเวลาเลยครับ นั่นแหละแสดว่าเผลสติไม่ได้ควบคุมมันแล้วก็เลยมันก็เลยมันก็เลยเป็นไปตามอาการของมันไปถ้ามีสติมันจะไม่อย่างตอนนี้เรามีสติเราคุยกันมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่เวลานั่งคนเดียวแล้วเราพูดโทพูดโทไปมันจะเครลิ้มเลยมันสงบมันเริ่มเคลมแล้วถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่หลับมันก็อาจจะอยากว่าอย่างนี้ย ปัญหาสุดใหญ่มันเกิดจากการขาดสติกันหรือสติไม่มีกำลังมากพอถ้ามีกำลังมากพอแล้วจิตจะนิ่งจะเฉยพอจิตนิ่งจิตเฉยร่างกายก็จะนิ่งเฉยตามตังว่ามาการเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี้จุดประสงค์เหมือนหรือต่างกันไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเปลี่ยนเอเรียบท ถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าเรานั่งตลอดเวลามันก็จะทําให้ร่างกายนี้พิกลพิการได้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนเอยาบทให้มีการเคลื่อนไหวของทางร่างกายแต่การปฏิบัติเราก็ยังเหมือนเดิมคือเราต้องจเจริญสติตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งหรือเราจะเดินแต่ถ้าเรานั่งแล้วเราจเจริญสตินี้เราจะสงบได้ความสงบลึกกว่ามากกว่าเวลาที่เราเดิน แต่เราต้องเดินบ้างเพื่อเปลี่ยนนริรยาบทแล้วเราไม่ต้องการที่จะเสียเสียเสียเสียเวลาในการปฏิบัติเราก็จเจริญสติไปควบคู่กับการเดินกับการเปลี่ยนนริรยาบทแล้วพอเราเดินเมื่อแล้วเราก็จะได้กลับมานั่งต่อแล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ทางเกษตรมีอะไรไหม สมัยก่อนไปนั่งแต่ว่าบางคนนั่งปุ๊บมันเหมือนว่าตัวเรานุนโดนแบบมันเหมือนวิดีโออะไรอ่างนั่นแหละไม่มีอะไรกำกับไงต้องมีพุทธโทต้องมีอะไรกำกับใจอย่านั่งเฉยๆตอนเช้าก็จะหายมัเป็นเจ็บไปอมันก็จะหายไปหาหมอหมอก็ใจบอกเลยว่าไปหาหมอไม่หายไม่หายมันเป็นก็บอกในตัวเราต้องไปตามหน้าที่ของโลกอ่า กลับมาเขาบกตฏิยาเขาไม่ทานตบเตือนเช้ามาจะเป็นอยู่ประมาณสักตอนอยู่คนเดียวนะ่ะชอบนั่งสมาธิประมาณสองทุ่กนะม ก, กจจ็จะนั่งพอน n a ๊ g ก็จะเป็นพอจะเริ่มนั่งจะเริ่มนอนไม่ได้ ม, มันเหมือนบางทีก็จะเหมือนโลกเรามันอยู่ตัวมันแคบอุ้มมืออยู่โรคกระบอกเห็นอืาทะลุกไปเลยเราต้องเราต้องใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอ อืใชจะบอกตลอดเวลาแต่จิตดีบอกว่าอย่าไปทางนี้นะอืมแต่เราก็บางีก็เชื่อจิตที่ที่พาเราไปเหมือนกับรอนอนเนี่ยเเห็นว่าตรงจะพาไปเห็นมาก่อนเราเลแล้วว่าก็จะมาแต่ตื่นเช้ามาเขาก็มาหาในสภาพแบบได้นเลยก็ให้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกขางรู้แล้วปล่อยวางมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราสิ่งเหล่านี้อก็จะนั่งมาตุ้มตัวเพราเป็น รู้แล้วถ้าไปพูดคนเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเราก็อาจจะคิดว่าเราเพี้ยนไปให้รู้แล้วเฉยๆไวะรู้แล้วก็ลืมมันไปอออความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี่บางทีเราไปพูดให้คนอื่นไม่ได้อพรัะพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงออ ขอตายในสานที่นั้เขาเป็นยังไงก็ได้ก็กลายคนนั่งสมาธินี่บางทีมีตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยแล้ลึกชาติได้เห็นอนาคตได้อ่านจิตใจของคนอื่นได้ก็มีวิดีโอนะเห็นบอกว่าเอาไหมแบบนี้จะเอาไห้ทองหยองไหลมาจะเอาไหมหอมบุญเอาไหมบอกไม่ต้องการขอดับไป่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้นั่นแหละต้องใช้ปัญญาแต่คืนคืนมาไม่ตาย ได้ความรู้เหล่านี้ต้องระวังเพราะว่ามันไม่นําไปสู่การหลุดพ้นแต่มันอาจจะทําให้เราหลงหลงแล้วก็ติดอยู่กับความรู้เหล่านี้ได้ดไดไอแล้วเขาก็สอนให้เจริญสติยุบหนอพองหนาก็ไปบวชตอนลังสี่ข้อตัวนี้จะหนักคนจะจะลาสีนะอืตัวนี้จะจมเหมือนธรณีอปวดไปหมดทั้งตัวมันจะระเบิดก็รู้ให้รู้ไปอาการต่าง ๆ, ๆ, ๆนี่มันไม่เทียม ออรู้เจ็บปวดรู้ก็ต้องผ่าสังขารเวลาศีลเออพอลาศีลปุ๊บจากปวดกลายเป็นเบาเบาแล้วกลายเป็นว่าตัวเรานี้เบากดขวันุ่นนะคะออขานี่พอออกมาก็จะลูบพื้นตลอดเวลาว่ารู้หนอนรู้ตลอดจนว่าตัวเรานี้ไม่มีตัวตนแต่รู้ว่ามันก็เป็นร่าให้เราเห็นได้ลูบจิตวิญญาณอย่าให้หลงก็แล้วกันให้รู้เฉยเฉยพราะาพ่อป้าลูกก็หายเอ มันจะเป็นนาเดียมันก็หายมันไม่เที่ยงค่ะเพราะว่ามันจะกลับถึงตลอดดิค่ะข้ อ, อ, อเป็นนาลาสีนี้กระดูกเราจะนับเป็นข้อหรือมาหานี่นไ ด, ด, ได้โอเคทางนี้มีอะไรไหมทางนี้มีไไมอะไรไหมครับเนี่ยเดี๋ยวถามตอบจะขอมาบวชที่เนี่ยครับตอนต้นเดือนกุมภาพันธะ์บวชนะบวชได้แต่อยู่บนเขานี่ต้องรอคิวเพราะคิวมันยาวสาธุครับ เอากลางๆก็ได้ครับไม่ต้องขึ้นเขาก็ได้ครับก็ข้างล่างเขาจะมีที่พักให้อยู่แล้วเราก็อาจจะขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวเป็นช่วงๆได้อยู่ช่วงที่ว่างบวชแน่นอนไหมครับพี่บวชแน่นอนไหมครับแน่นอนอาสาทูตครับไปติดต่อไปติดต่อสมัครบวชที่กุฏิเบอร์หเบอร์สีได้กฏิเบอร์สอ่าจะเป็นเป็นที่เขรับเรื่องต่างๆเรื่องเรื่องการบวชแล้วเขาจะนัดปันบวชให้ อย่างเดือนนี้จะมีวันบวชวันที่สิบหกครับถ้าเรามาอยู่วัดถ้าจะบวชต้องมาอยู่ไว้ก่อนเจ็ดวันค <c oughs> รับแล้วก็ดูว่าเขามีกุฏิมีที่ว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างก็ต้องรอไปก่อนเพราะเดี๋ยวนี้คนรู้จักวัดนี้มากขึ้นคนก็มาอยู่กันมากขึ้นพระอาจารย์ถานถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบ แล้วสงบวิรไปนานๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีอะไรเลยแล้วเราเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าเราตายไป แ, แล้วจิตจะไปอยู่ตรงไห น, นะคะอ่จิตมันก็อยู่ในโลกทิพย์อยู่แล้วมันก็อยู่แบบ <c oughs> ตอนที่เราฝันเน่ตอนที่เราตอนเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสมาธิแล้วก็จะอยู่แบบนั้นไปเดี๋ยวนี้เขาเรียกอัปปะมาสมาธิใช่ มันสงบนิ่งแล้วก็ต้องสักแต่ว่ารู้ด้วยเนยะไม่ใช่หลับนะเพราะมันมีมันมีสงบแบบสองแบบสงบแบบหลับถ้ามันสงบนิ่งแล้วรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าถ้าตายไปก็ไปอยู่ชั้นพร ม, มเป็นเป็นขั้นฌานชั้นต่างๆแปลว่าอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมาศึกษาเรื่องเวทนาต่อใช่ะคือถ้าเราอยากจะ ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องของร่างกายกับเรื่องของเวทนาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเราต้องฝึกปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาถ้าเราปล่อยได้เราก็จะบรรลุธรรมขั้นโสดาบันไดกือเราจะไม่กลัวความเจ็บเราจะไม่กลัวความตายเพราะเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ความเจ็บอยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นคนเจ็บเราใจเราเป็นใจเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราเพียงแต่รับรู้ความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าเราไม่ใช้วิปัสนาแยกแยะเราก็จะหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะคิดว่าเราเจ็บเราตายไปกับร่างกายเราก็จะกลัวเราก็จะอยากให้มันไม่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราใช้วิปัสนาเราจะแยกออกว่าละใจเป็นผู้รู้แต่ร่างกายนี้เป็นผู้แสดงให้เรารู้ว่าร่างกายเขาต้องตาย ร่างกายเขาต้องเจ็บถ้าเราแยกออกจากร่างกายได้เราก็ปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้<ช>เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บตายของร่างกายก็เหมือนจะเป็นการแยกกายแยกจิตออกจากกันใช่ต้องศึกษาต้องใช้เหตุใช้ผลแยกออกัน<ช>แล้วต้องมีเหตุการณ์เช่นเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็ต้องปล่อยมันบอกว่าเราไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม แต่ใครเดือดร้อนใจใจไม่ได้เจ็บแต่ใจเป็นผู้เดือดร้อนแทนร่างกายเพราะใจยังมีความหลงอยู่ถ้ายังถ้ายังเดือดร้อนก็ยังถือว่ายังแยกไม่ออกถ้าไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าแยกออกแล้วปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายตายไปได้ <S <S ก็จะเจ็บอย่างสงบตายอย่างสงบไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายไม่กลัวความเจ็บความตายต่อไป อันนั้นก็จะเป็นขั้นโสดาบันสักกายะทิฏฐิได้ไปไปคิดว่าร่างกายเ <c oughs> วทนานี้เป็นตัวเราของเรา <c oughs> แล้วขั้นต่อไปจากขั้นโสดาบันก็ต้องไปพิจารณาอสุภะ <c oughs> ไปเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราหลงรัก <c oughs> เพื่อเราจะได้ไม่หลงรักเขา <c oughs> เราไปเห็นส่วนที่สวยงามของเขา <c oughs> เราก็เลยไปหลงรักเขา แต่มีส่วนที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเจ้เราต้องเจาะเข้าไปข้างในดูภายใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้างถ้าเราทำหนังให้มันใสเหมือนพลาสติกได้เราก็จะเห็นหน้านี้มีคงี่มีกระโหลกศีรษะมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้ถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะไม่หลงรักเขา หรือเราจะพิจารณาตอนที่ร่างกายนี้ตายไปก็ได้คนที่เราหลงรักเขาถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้เรายังจะให้เขาอยู่บ้านเราหรอือเปล่าเราก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมส่งเขาไปวัดล้ว <c oughs> แต่ถ้ายังหายใจอยู่ก็ขอเก็บไว้ก่อนแต่บางครั้งก็ยังเคยเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่บ่อยๆล่ะค่ะเอ่อต้องเห็นจนกระทั่งปล่อยได้เลิกเลิกมีความอยากที่จะมีแฟนมีครอบครัวได้ถ้าเห็นบางครั้งบางคราว มันยังไม่พอเวลาเกิดความอยากไม่เห็นมันก็เดี๋ยวก็ไปมีแฟนได้อย่างพวกหมอเนี่ยพวกสับ์เปล่านี่เขาก็เห็น<ช>สบทุกวัน<ช>แต่พอเขาเกิดความอยากมีแฟนเขาก็ลืมไปละเขาไม่ไปคิดถึงมันแต่ถ้าอยากจะเลิกต้องคิดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่เกิดความอยากนี่ต้องเอาอาสุภาษนี่มาคิดทันทีถ้าคิดว่าเป็นอสุภาษเราก็จะไม่ไม่ไปมีครับ ในสมาธิเราเห็นเราควรจะพิจารณาเลยหรือว่าดึงกลับมาตอนที่เห็นในสมาธิเป็นเหมือนกับได้รับข้อมูล<ะ>ยังไม่ได้เป็นเอ่อเป็นเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อเวลาเราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราไปเห็นคนนั้นคนนี้หน้าแล้วอยากจะได้เข้ามาเป็นแฟนเนี่ยตอนนั้นเราจะต้องเอาเอาภาพที่เราเห็นในสมาธินี่มามาเตือนเราเอา่อบอกให้ hey, นี่เขาเป็นอย่างนี้นะ ข้างนอกเป็นอย่างนี้ก็อย่างนั้นแต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้น ะ, อะพอเราเห็นข้างในปั๊บแล้วก็ไม่เอาละนต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ปัญญานี้เป็นเหมือนมีดมีดมีไว้เพื่อฆ่าฆ่ากิเลสแต่ถ้ามีปัญญาเห็นแล้วแต่ไม่เอามาใช้ก็เหมือนพวกหมอพวกศัพเปอร์เหล่านี้เขาก็เห็นซากศพอยู่ตลอดเวลาแต่พอเวลาเขาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเขาก็ไม่เอามีดนี้มาฟันมันเขาก็เลยทําตามกิเลสไป ไปมีครอบครัวไปมีแฟนไปมีลูกกันไปความรู้ที่เราเห็นในสมาธินี่เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเราต้องเอาเครื่องมือนี้มาทําลายกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันไม่สบายใจกัน ห, หน ง, นเอ ง, องุเหียดตั้งคใจหวาดเวทตั้งท้อยไม่เงานี่เกิดจากกิเลสตัณหานี่เท่านั้นเกิดอาการเหล่านี้เราต้องเอาปัญญามาข้าง ถ้ามันว้าเหวเพราะอยากจะมีแฟนก็ต้องเอาภาพของหน้าอันหน้าเกลียดหน้ากลัวของแฟนมาดูแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายอยากมีแฟนแล้วต่อไปมันก็จะไม่เหงามันจะไม่ว้าเวก็คือให้สัตว์จะรู้สัตว์จะเห็นแล้วถ้าเราดึงกลับมาที่จุดเดิมของที่ตั้งฐานองจิตได้หรือว่าก็ต้องต้องไม่ไปอยากเนี่ยถ้ามันอยากก็ดึงจิตกลับเข้ามาอยู่ที่ความสงบ พอดึงมาที่ความสงบความอยากก็หายไปแต่ถ้าใช้การดึงอย่างเดียวมันจะไม่พอพอเราเผลอมันก็จะออกไปอีกพะเรายังไม่ได้ไปแก้ฐานของความความความหลงฐานของความอยากคือความหลงยังเห็นว่าเขาน่ารักอยู่เนี้ยเนั้นเราต้องไปเห็นว่าเขาไม่น่ารักเขาน่ากลัวน่าเกลียดต่อไปมันจะไม่มันจะไม่รักเลยไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องดึงด้วยเพราะมันจะไม่ไป ถ้ามันรู้ว่าเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวมันจะไม่ไปใช่ไหมถ้าแฟนเราตายไปคืนนี้วันคืนนี้เราไม่เก็บเขาไว้ในบ้านแล้วใช่ไหมเพราะกลายเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาแล้วเราต้องเห็นเขาตอนที่เขายังไม่ตายว่าเขาก็น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรวเพียงแต่ไม่หายใจเพียงแต่ไม่หายใจไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่ก็น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาแล้วทั้งที่ยังไม่เปลี่ยนข้างนอกก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่นอนเฉยๆเหมือนคนนอนหลับไป เรารู้ในใจแล้วว่าเป็นผีแล้วแต่ตอนนี้เขามีลมหายใจไม่ไม่ไมปคิดอย่างนั้นนี่ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็จะไม่มีเราก็ไม่ต้องการเขานี่คือการใช้ปัญญาการนั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นภาพอะไรต่างๆนี้มันเป็นเพียงเป็นเหมือนกับเครื่องมือเราก็เอามาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เอามาหยุดความอยากนั้น มันก็จะบรรลุได้แกคะแล้วผีมีจริงไหมคะลูกสาวหนูสขวบอ๋อผีจริงมันไม่หลอกอแต่ผีไม่จริงมันหลอก <c oughs> คือผีจริงคือคนตายเนี่ย <c oughs> พวกเราเนี่พอร่างกายตายไปเราก็เป็นผีกันก็ <c oughs> ดวงวิ ญ, ญญาณของพวกเราเนี่ยก็ <c oughs> ไปลูกสาวัวเล็กถามเนี่ยนี่ก็คือผีจริงผีผีจริง้าไม่มาหลอกแล้วหรอก ไอ้ผีไม่จริงอะ่ะชอบหรอกก็ใจเราชอบหลอกเราเองพออยู่คนเดียวนี่เดี๋ยวอะไรมากันหมดแล้วใจเราคิดไปเองอใจเราปรุงแต่งขึ้นไปแว้วพอใจสงบหรือใจลืมเรื่องผีมันก็หายไปมันเกิดจากความคิดของเราเองพรอาจครย์คะถามเรื่องสีห์ท่หน่อยค่ะโยมเนี่ยจะรักษาสีห์ทอที่มุกษาไม่ค่อยได้ เอาปัสตเตอร์มาปิดปากคือบางครั้งเราทำงานกับลูกค้าค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นว่าทำงานบริษัทอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาทำผิดแต่เราอ่ะมีหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้าซึ่งเราก็ต้องประนีประนอมระหว่างคนที่ทำงานให้เรากับลูกค้าเราก็จะบอกลูกค้าอีกแบบหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้วิ๊กจิตนั้นมันรอดไปได้ถือว่าเรามุสาหรือผิดศีหมคะก็ผิดเครัอพูดไม่ตรงความจริงมันก็ผิดอยู่แต่เราทําด้วยสถานการณ์ให้มันแบบปรีประนอมไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นผิดก็ผิดนะแล้วอย่างนี้เราต้องพูดตรงๆเหรอคะอาจารย์ก็เอาพาษาเต่าปิดปากพูดเรื่องอื่นไปก็ได้บอกว่าเรื่องนี้ขอขออนุญาตไม่พูดดีกว่า แต่บางทีบางครั้งมันต้องเคลียในประเด็นนะคะพระอาจารย์ก็เคลียประเด็นก็ต้องเอาความจริงนี่เขาก็ต้องการความจริงไม่ใช่เลยมีใครต้องการความไม่จริงบวะเราเป็นลูกค้าได้ก็ไม่พูดกันบ่าปัสสาวปิดปากหรือพูดเรื่องอื่นไปแล้วบอกขออนุญาตเรื่อนี้ข้าพเจ้าไม่ไม่สันทัดว่าไปลําบากเพราะเราอยู่ในโลกนี้มันชอบหลอกลวงกัน ลูกค้าก็เช่าให้คนให้ให้ให้คนเขาหลอกลวงนะบางทีถ้าบอกความจริงไปก็จะยิ่งหลักแบบเด้อดร้อนอ่าก็เดือดร้อนอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เดือดร้อนแต่มันมันไม่มันมันยังดีกว่าโกหกหลอกลวงเขาแต่ถ้าสมมติว่าพูดบิดเบือน แล้วทำให้ทุกฝ่ายไม่มีใครเดือดร้อนเลยได้ยังไได้ไหคก็บิดเบือนไงไม่พอยเว้ไม่พอโยเว้ถ้าบอกไม่หมดอ่อถ้าบอกไม่หมดไม่เป็นไรโอเคก้าไม่ก็เหมือนกับไม่พูดไงบอกครึ่งเดียวอย่างนี้ได้เลยเหตุในการเหตุถึงความเป็นพระโสดาบันเราควรจะปูพื้นฐานยังไงบ้าง ก็เนี่ยแหละก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเช่นโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามีสมาธิหยุดความยึดติดหยุดความอยากในร่างกายได้เราก็จะหลุดพ้นได้แต่ก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนเพราะมันเป็นเครื่องสนับสนุนกันแล้วศีลห้าแล้วมัไม่พอที่ต้องศีลแปด อสิบแปดจะได้มีเวลาไปทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วในในแต่ละลําดับเหรอคะอย่างเช่นโสดาบันไปสกิทาไปอนาคาหรืออะไนะคะมันมันมีความยากง่ายแตกต่างกันมันมีโจทย์ต่างกันไงโจย์ของพระโสวดาบันก็ที่ร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายส่วนโจย์ของผัสสกิทาคากับผ้านาคามีคือความรักในร่างกายของคน อ, งคอื่นอย่างอยากแยร่วมหลับนอนกับเขา ก็ต้องใช้อสุภะมาแก้ถ้าถ้าถ้าแก้ได้ครึ่งหนึ่งคือทําให้เบาบางลงก็เรียกได้บรรลุขั้นสกิรดาคาถ้าแก้ได้อย่างถาวรก็เป็นพระอาณาคาแล้วขั้นของพระอาลานก็ต้องไปแก้ความความยึดติดในร่างในในจิตในจิตนี้ก็ยังมีกิเลสคือเรายังไปหลงยึดติดในจิตว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ ขันต้นก็ไปติดอยู่ที่ร่างกายว่ามันตัวเราของเราพอผ่านไปก็ไปติดอยู่ในจิตยังมีมานะอยู่ในจิตมานะก็คือการถือตัวถือว่าจิตนี้เป็นเป็นจิตของเราแล้วก็เป็นจิตที่สูงที่ต่ำสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้เอถ้าสูงกว่าก็อยากให้เขาเคารพนับถือเราถ้าเขาไม่เคารพนับถือเราก็เราก็ไม่สบายใจไม่พอใจเราต้องบองว่าจิตทุกดวงเท่ากัน เป็นผู้รู้เหมือนกันถึนจะแก้ตัวมานะได้แล้วคารวะสามารถบรรลุมรรคผลไห้นะได้ถ้ามีถ้ามีปัญญาแล้วก็สามารถบรรลุได้มีศีลสมาธิปัญญาได้ทุกคน่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่หญิงชายอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเหมือนเรียนมหาลัยสมัยนี้ต้องไปผู้ชายอย่างเดียวไหมผู้หญิงก็เรียนได้ผู้ชายก็เรียนได้เด็กบางคนเด็กกัชฉริยาก็ยังเรียนได้เด็กอายุสิบสองขวบจบ ปริญญาตีก็มีมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถทางของจิตใจที่ไม่มีเพศเพศนี้มันออกมาจากความรักความชอบออกมาจากการเป็นนิสัยนิสัยผู้หญิงก็เป็นแบบหนึ่งนิสัยผู้ชายก็เป็นแบบหนึ่งก็เลยทําให้มาเกิดได้ร่างกายของหญิงของชายขึ้นมาแต่ความโลภความโกรธความหลงของหญิงชายมีเหมือนกันแล้เครื่องมือที่จะค้ามความโลภความโกรธความหลงก็อันเดียวกันคือศีลสมาธิปัญญา ขอให้เราสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะบรรลุธรรมทั้งสีขั้นได้มากผลนิพพานโสวดาบรรสกิดาคามีอนาคามีอรหันต์ตอนนี้ตอนนี้ก็มาศึกษาแผนที่ก่อนท่านต่อไปก็ออกเดินทางไปรักษาศีลห้ากันอย่าไปเสียดายงานการอะไรแล้วก็อย่าพูดก็แล้วกัน ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเป er ็นพ okay, ูดไม่หมดแล้วเป็นพูดไม่หมดก็ไม่เป็นไรสาธุค่โอเคนะเกว่าพอสมควรแก่เวลานะสาธุครับอาจารย์ดีมากเลยครับได้ประโยชน์โทนี่นะครับโทนี่เขาบอกมาว่ากราบถนะอาจารย์ I am saving for ลวิ s i ษฉันหวังที่จะ e ห็นยู o ูนโอเค Good. See you when you come Let me know when you coming Okay, sorry today we don't have much time. We have so many people here. So, but glad that you come in and maybe come back tomorrow. Come from Las <laughs> Vegas, f o l l o w n g you. c o u Now Las Vegas, is a l o s t one o o c k Ah, Las Vegas is t y o night. o p l e are g a t